เรื่องพระครัวตาหนึ่งเรื่องแปดสบสองสมัยนั้นพระครัวตารูปหนึ่งไปเยี่ยมอดีตภรรยาถูกบังคับให้ศึกท่านถอยนี้จนล้มไงานางขึ้นคร่อมองค์ชาติท่านเกิดความกังวลใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติศิกขาบทไว้แล้วเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่า ภิกษุเธอยินดีหรือไม่ยินดีพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอไม่ยินดีไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่78